น, นั้นลำแสงของตะวันรุ่งเริ่มจะสาดลงมายังบริเวณป่าไผ่อันเป็นที่พักเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัดใครเป็นคนตามไปพบขพกระพินถามเบาๆทำลายความเงียบขึ้นจันเป็นคนตอบว่าผี่คำกับผมครับนายแล้วก็มีนายห้างบ๊อบ ในห้างคิดและในทหารเชิดบุตรตามไปด้วยครับให้พาไปดูบริเวณที่มันลากศพไปทิ้งไว้ก่อนสิเขาสั่งจันนำหน้าลิ้วไปก่อนทันทีโดยทิศทางที่จำได้เป็นอย่างดีแล้วรพินหันมากระชากไลบุญคำให้เดินเคียงคู่ไปด้วยส่วนเบื้องหลังคณะนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งคริสติน่าและเบลเดินตามไปด้วย พร้อมทั้งนายตัส่วนเกิดและเซยคุมพวกลูกหาอื่นๆให้รอคอยอยู่ในแคมป์พอมาถึงตำแหน่งที่ค้นพบศพซึ่งถูกลากมาทิ้งไว้จากหลักฐานที่มีรอยลากมาเป็นทางจันก็ชี้ให้ดูรพินพิจารณาสภาพป่ารอบ ด, ด้านของบริเวณนั้นตรวจหารอยตามพื้นด้านหลังพงไม้ออกไปแต่ไม่พบอะไร จงวกมายืนดูอยู่ที่ตำแหน่งพบศพอีกครั้งยังไม่มีใครในกลุ่มนายจ้างกล้าปรีฉากถามคําใดแก่เขานอกจากซุบซิบพูดกันเองใครคนหนึ่งเข้ามายืนเบียดชิดอยู่ข้างเขาปลายหางตาดูก็เห็นว่าเป็นตาเท่าบุญคํามันละนายไม่ผิดไปหรอมบุญคำเตือนนายแล้วแต่นายก็มัวแต่ใจเย็นอยู่ ในที่สุดมันก็โดดเข้ามาเล่นงานเราจริงๆอะนายแกกระซิบเป็นภาษากรีกคริสเคลื่อนตัวอย่างเบากริบเข้ามาประกบติดหลังทั้งสองทันทีโดยที่ทั้งระพินและบุญคํายังไม่ทันสังเกตเห็นบุญคํายอมรับมาใช้ตามตรงดีกว่าว่าตัวเองหลับในระหว่างที่ฉันจับไข้ไม่สบายอยู่ นายบุญคำนอนเฝ้านายอยู่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะหลับไม่ได้แต่ไม่รู้มันเผลอหลับไปตอนไหนคล้ายๆถูกสะกดนั่นแหละมาสะดุงตื่นก็ตอนที่พวกนายฝรัง่งเขายิงกันเปรี้ยงปรางสนันตางพักไปหมดแกอุบอิบแทบจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าวงกับเจ้ามวน ที่นั่งยามเฝ้าอยู่หลังกระโจมนายจ้างก็จะต้องนั่งหลับด้วยไม่งั้นคงไม่ถูกมันย่องเข้ามาขยุ่มก้านคอหิ้วมาทิ้งไว้ที่นี่โดยไม่ทันต่อสู้หรือเอะอะส่งเสียงขึ้นเป็นการย่องเข้ามาเจ็บยามของเราก่อนอย่างเงียบกริบที่สุดก่อนที่จะย้อนไปที่กระโจมพักของพวกนั้นอีกครั้งระพินพูดแผ่ว บุญคำสรุปด้วยเสียงเบายิ่งกว่าเดิมรูปการมันก็เป็นอย่างที่นายคาดกันเน้นั่นแหละลักษณะของมันเมือนผีดิบมันไรไม่มีผิดร้ายยิ่งไปกว่านั้นไอ้มันใรมันยังไม่เคยฆ่าพวกเราได้เลยในครั้งนั้นแต่ไอ้ผีตายซาพันปีตัวนี้เล่นงานพวกเราพร้อมกันเลยสองศพ ด้วยมือของมันเองแล้วมันก็จะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับโขลงของไอ้งาดำเพราะรอยตีนตอนที่มันหนีไปบุญคากัดจันตามไปพบว่ามันเดินหายเข้าไปกลางขลงช้างที่เข้ามาล้อมเงียบๆอยู่แล้บุญคําบอกกับพวกนั้นหรือเปล่าว่าเราไปพบอะไรเข้าก่อนแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ ยังนายยังไม่ได้บอกใครเลยทั้งนั้นแหละแม้แต่ไอ้จันไ อ, อไอ้เกิดเรื่อยเซย์บุญคํายังไม่แน่ใจว่านายมีเจตนาจะบอกพวกนั้นยังไงก็เลยไม่กล้าพูดอะไรก่อนก็ร้อยนายตื่นขึ้นมาและตัดสินใจเองดีกว่าระพินกัดริมฝีปากแน่นตาจับอยู่ที่พงไม้อันมีรอยหักลู่เนื่องจากสองศพ ถูกลากมาทิ้งไว้ขณะนั้นเองก็มีเสียงเบาต่ำของคริสติน่าแทรกมาเบื้องหลังสัญญากันไว้หลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอคะเพราะถ้าหากจะมีการปรึกษาหาเรืออะไรกันก็ควรจะใช้ภาษาที่ฝ่ายชั้นฟังเข้าใจด้วยทำไมจะต้องซุบซิบกันเป็นภาษากระเหี่ยนด้วยบุญคังเงียบ รพินเองก็ไม่สนใจกับคำพูดของแม่ผมทองชูมือขึ้นสูงแล้วดีดแรงๆเป็นสัญญาณพักพวกทุกคนที่ร่วมทางมาดูสถานที่อันกระจายกันอยู่ยังตำแหน่งต่างๆนั้นพากันหันขวับมาที่เขาเป็นตาเดียวพันใหญ่โบกมือเป็นความหมายให้เดินกลับความอดอัดใจของฝ่ายนายจ้างก็คือการที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยของเานี่แหละ ในเที่ยวเดินกลับด็อเตอร์สแตนลีย์จึงเข้าประกบตัวเคียงคู่มาด้วยรพินคุณคิดยังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ประเดี๋ยวครับขณะนี้ผมยังคาดคะเนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลี้ลับขอให้ผมกลับไปตรวจดูบริเวณแวดล้อมอื่นๆให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเถอะครับ ระหว่างที่เกิดเหตุขึ้นสุดๆร้อนๆผมก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองได้รับฟังแต่เฉพาะคําบอกเล่าและพยานหลักฐานเท่าที่พอจะเหลือทิ้งไว้เท่านั้นและผมเองก็ยังไม่ได้สอบถามพวกท่านเลยในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเล่าในแต่ละมุมที่ต่างพบเห็นเผชิญมาลักษณะเดินของเขาในขณะนี้ก็คือระพินไพรวันนั่นแหละคือก้าวยาวๆ ตัวปลิวเหมือนเดิมชนิดไม่น่าเชื่อเลยว่าเพิ่งจะฟื้นจากไข่และไม่หยุดรอใครทั้งสิน้นาบหน้าจ้ำพรวดพรวดปับมาถึงบริเวณหลังกระโจมพัดของนายจ้างอีกครั้งทุกคนวิ่งบ้างเดินบ้างไล่หลังเขาอย่างกระชั้นชิดขอนไม้ใหญ่ริมกองไฟที่เขาและคริสติน่ายืนสนทนากันเมื่อหัวค่าของคืนที่ผ่านมานั่นเอง คือตำแหน่งที่ลูกหาบเคราะไรสองคนเฝ้ายามอยู่โดยคำสั่งของบุญคำพรานใหญ่โบกมือไล่พวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่ยืนเกะ ก, กะบังทิศทางอยู่ให้กระจายออกไปเพื่อว่าเขาจะได้ตรวจทิศทางได้อย่างละเอียดคนเหล่านั้นเข้าใจอาการดีต่างหลบไปยืนออรวมกลุ่มกันอยู่สองฝ้าโดยไม่มีใครยืนบงังแล้วพรานใหญ่ก็กวักมือเรียกหัวหน้าคณะ กับบุญคำให้เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมที่บุญคำเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเผลอหลับไปไอม้มวนกับไอ้วงนั่งยามอยู่เขาถามขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อทุกคนของฝ่ายนายจ้างเข้าใจแต่เท่าพยักหน้าอาการของแกซึมเศร้าเงืองงอยผิดปกติไปกว่าทุกวันหุดแววตลุกขนอง อันเป็นอุปนิสัยตามปกติใช่นายบุญคาเห็นสองคนน่ะมันนั่งเอากระสอบป่านคลุมตัวอยู่ตรงขอนไม้นี่แหละเขาหันมาทางดรสเตนลี่คนเคราะห์ร้ายนั่งหันหลังให้ราวป่าหันหน้าเข้าหากระจมของพวกคุณแล้วคงจะนั่งหลับไฟที่ก่อไว้ด้านหลังคงมอดลง ผีนั่นก็โผล่กมาจากป่าด้านหลังย่องกลิกเข้ามาโดยที่ทั้งสองไม่ทันรู้ตัวมือซ้ายขยุ่มก้างคอของคนนั่งทางด้านซ้ายมือขวาขยุ่มคนที่นั่งทางด้านขวาบีบเข้นจนกระดูกหักในทันทีเหมือนเราบีบคอลูกไก่แล้วเดินถอยหลังลาบเอาศพทั้งสองไปทิ้งไว้ยังพงรกที่เราไปดูเมื่อตะกี้นี้ หัวหน้าคณะทั้งงกศีสะลงนิดหนึ่งครับพวกผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละจากพยานหลักฐานที่เราพบเห็นลักษณะของมันถ้าจะพูดกันในแง่ของการจู่โจมทางยุทธศาสตร์ก็คือเก็บยามซะก่อนแล้วหัวนกลับเข้ามาอีกครั้งภายหลังเอาสบไปแอบไว้แล้วที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือมันเป็นใคร หมายประสงคไรเช่นไรกับเราและเพื่ออะไรเอาเรียวเอาแรงอย่างมหาสารผิดธรรมดาสามัญของมนุษย์ปุถุชนธรรมดามาจากไหนถึงขนาดที่สามารถขยุมลำคอจากด้านหลังของคนของเราที่เดียวพร้อมกันสองมือแล้วก็เข้นจนกระดูกคอหักได้ในพริบตาพร้อมทั้งลากไปพร้อมๆกันจากมือแต่ละข้าง ที่ยังยิ้วคออยู่รบพินกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากคเนกวัดทิศทางจากขอนไม้ตำแหน่งนั้นไปยังกระโจมด้านหัวนอนของฝ่ายนายจ้างมันจะเป็นใครหรืออะไรและหมายจะประสงค์ร้ายกับเราเพื่ออะไรเป็นสิ่งที่ผมยังตอบไม่ได้ครับ แต่แน่ใจว่ามันไม่ใช่มนุษย์ปุตุชนธรรมดาแน่นอนครับจากกำลังอันมากมายผิดปกติดังที่เราได้เห็นพยานหลักฐานเหล่านี้ในขณะนี้เรายังตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่ามันคือมอนสเตอร์หรืออกมนุษย์มิฉะนั้นก็สัตว์ประหลาดที่เรายังค้นพบความจริงออกมาไม่ได้ในเวลานี้นเต็มไปด้วยเล่กลเพทุบายประสงค์ร้าย และมีอำนาจลึกลับพิเศษอยู่ในตัวมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวอยู่กับขลุงช้างที่ไอ้งาดำเป็นจาาขลุงอยู่ด้วยประเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดจะเดินดูตามรอยของมันที่บุญคำกับจันอ้างว่าได้เดินหายเข้าไปกลางขลุงช้างที่แอบเข้ามาล้อมเรียบอยู่คนที่เห็นมันชัดกระตามีอยู่สามคนใช่ไหมครับคนแรกคือเบ ซึ่งเห็นจากเงาที่มันปรากฏทาพแสงไฟในกองมาปรากฏที่มา่านกั้นกระโจมด้านหัวนอนแล้วเลิกผ้ากระโจมออกมาดูคนต่อไปก็คือคุณเองจากการเคลื่อนไหวผิดปกติของหมอเบลแล้วตามออกมารวบขาเบนไว้ก่อนที่จะเดินไปถึงตัวมันและคนที่สามก็คือคริสซึ่งเป็นคนญิงอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่คีดกระเชิดวุดนั่นออกมาที่หลังแล้วเป็นตอนที่มันเดินหนีเกือบจะรับหายก็ไปในป่าทึบแล้วล่ะสองคนนั้นเห็นเพียงแวบเดียวแต่ผมเบร์ Bear, และก็คริสเห็นได้ถนัดที่สุดสูงใหญ่มากลักษณะเหมือนศพอาบยาของมนุษย์โบราณใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนสูงของมันนะผมว่ากว่าเจ็ฟุตนะสูงมากทีเดียว หนังคุ้มกระดูกแต่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายบริบูรณ์เรียบร้อยดีไม่มีส่วนใดชำรุดคุณดูที่รอยตีนของมันนั่นก็คงจะคันเนได้ว่ารูปร่างมันควรจะสักขนาดไหนทั้งสามท่านสามารถจะจำหน้ามันได้ไหมครับถ้าเห็นอีกครั้งคราวนี้เขาถามท้งด็อตอร์สแตลีเบียร์และคริสถ้าเห็นอีกก็จาได้แน่นอน เหมือนคนธรมธรมดาธรรมดาทั่วไปใช่ไหมไรมามมี่ชัดๆเลยทั้งสมตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของมันเบียลบอกต่ํากลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคออย่างยากเย็นเมื่อหวนคิดไปถึงภาพที่หลอนพบเห็นเป็นดวงตาที่มีอํานาจประหลาดที่สุดเช่นรพินเหมือนตาของพ่อมด พอเลือกผ้ากระโจมขึ้นมาฉันก็มองไปเห็นดวงตาของมันพอดีต่อจากนั้นฉันก็ลืมตัวไปชั่วขณะ ด, ด้วยอำนาจสะกดจิตอาจารย์มาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเห็นฉันเดินเข้าไปหามันแต่เขาแท็กฉันล้มลงซะ ก, ก่อนนี่มันยืนอยู่ตรงนี้ด็อเตอร์สเตลีบอกพร้อมทั้งก้าวไปหยุดยืนอยู่ทางด้านขวาของขอนไม้ริมกองไฟทาลักษณะให้ดู หันหน้าไปทางด้านหัวนอนของกระโจมพักมือทั้งสองข้างของมันยกโบกขึ้นเรียกเบนอย่างนี้โดยการยกจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนคนวิทน้ําช้าระหว่างนั้นเบนก็เดินเหมือนคนไรส้สติปราศจากการควบคุมตัวเองตรงก็ไปหามันขนาดผมตะโกนเรียกสุดเสียงนะเบนยังไม่ได้ยินเลยผมก็เลยต้องตัดสินใจ พุ่งรวบขาเบลไว้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่คริสซึซ่งพรวดตามออกมาติดๆก็ยิงเมื่อ น, นั้นแหละมันจึงหันหลังกลับก้าวอย่างเร็วหนีไปทันทีก่อนที่มันจะลับหายไปคริสยิงตามหลังไปอีกนัดหนึ่งส่วนบุญคำกระจันนะ่ะวิ่งมาถึงพวกเราในเวลาประมาณไม่เกินสิบวินาทีให้หลังและบุญคำกระจันก็ออกสารอยตามมันไปในทันทีในขณะที่พวกเราทั้งหมด ยังอยู่ในแคมป์ต่อมาอีกอึดใจใหญ่ที่พวกเรารอกันอยู่ทางนี้ก็ได้ยินเสียงไรฟลเสียงช้างร้องลั่นไปหมดทั้งป่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเรานึกว่าเมื่อคืนนี่เราคงแหลกกันไปทั้งหมดถ้าพวกช้างมันบุกเข้ามาก็ได้แต่กระจายกันออกยึดที่มั่นกันไปตามมีตามเกิดแล้วก็ช่วยกันยิงขึ้นฟ้าพวกมันทาเสียงโหร้องรู่คำรามหักกิ่งไม้ปันปนไปหมด พื้นนีสะเทือนยังกระเกิดแผ่นดินไหวต่อมาเสียงของพวกมันนับร้อยเหล่านั้นก็ห่างไกลออกไปและบุญคำกระจันก็วิ่งจัอเข้ามาโดยบอกว่าได้ตามรอยตีนของไอ้มอสเตอร์ตัวนั้นเข้าไปจนกระทั่งแทบจะไปชนเอาขาช้างที่ยืนเข้าแถวรายล้อมขวางหน้าอยู่แล้วบัตรนี้รพินไทรวัน พอจะลำดับภาพติดต่อกันได้หมดแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขานอนจับไข้ไม่รู้สึกตัวอยู่นั้นเบลตื่นขึ้นเนื่องจากนอนไม่หลับและต้องการจะหายากินจึงมองเห็นภาพเงาที่ปรากฏภาพอยู่กับผนังกระจกผลหน้าไปดูก็เลยถูกสะกดดอกเตอร์สแตนลีย์ตื่นทันเห็นเหตุหการณ์ พระพ่อโหมที่อาศัยโหมร่วมกันหมดทั้งห้าคนในกระโจมพักระหว่างนอนถูกลากดึงผิดปกติเนื่องจากเบลลุกขึ้นมุดลอดกระโจมออกไปคริสตื่นเพราะการไหวตัวของด็อกเตอร์สแตลลีผู้นอนอยู่ข้างๆพร้อมทั้งได้ยินเสียงตะโกนเอะอะของหัวหน้าคณะและหลอนเป็นคนยิงเชิดพุทะคิดนอนขี้เซาด้วยกันทั้งคู่ตกใจตื่นด้วยเสียงปืนที่คริสยิง และพวดพลาดออกมาล้าหลังสุดเห็นเหตุการณ์น้อยที่สุดบุญคำกระจันเล่นเข้ามาถึงที่เกิดเหตุภายหลังเสียงปืนลั่นแล้วและชวนกันสาวรอยออกไปจนประจันหน้ากับขลุงช้างที่ล้อมเงียบอยู่เหตุารทั้งหมดมันถือโอกาสเข้าเล่นงานคณะในขณะที่เขาดับเครื่องไปสักคนเดียวเท่านั้นและกว่าจะตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์ มันก็สายไปซะแล้วด้วยการสังเวยชีวิตลูกหาบไปถึงสองศพสามิบหระพินไพรวันยืนนิ่งหนักอึ้งไปทั้งสมองบัดนี้ทุกสายตาไม่ว่าจะเป็นพวกนายจ้างทั้งหลายผ่านคู่ใจของเขาพวกลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งกะเหรี่ยงอีกสองคน ุ่งจับมาที่เขาเป็นเป้าเดียวกันหมดเหมือนจะถามว่ามันนี่มันคืออะไรและเขาจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในฐานะหลักประกันที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตคนเหล่านั้นเต็มไปได้วยความกังขาประวันทรนพรึงและยึดเขาเป็นที่พึ่งอยู่คนเดียวระหว่างที่เขายังยืนมองดูรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินเปียกแฉะนั้น สเตลลีกล่าวเสียงต่ำๆว่าพวกเรายังไม่ได้ตามรอยไปดูรอยเท้าเลยและทิศทางเดินหายเข้าไปของขลุงช้างก็รอให้คุณตื่นขึ้นมาสักก่อนนี่แหละคุณพิมดีครับนั่นน่ะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก่อนที่พวกคุณจะขยับขยื่นไปไหนก็ควรให้ผมได้รู้เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุผิดปกติขึ้นเช่นนี้ เอาละครับประเดี๋ยวเราจะไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงพร้อมๆกันครับเขาเหลือตาไปที่คริสติน่าคริสครับคุณยิงนัดแรกขณะที่มันยังยืนอยู่ในตำแหน่งที่ด็อเตอร์สแตลลีย์ยืนให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ใช่ไหมแม่ผมทองพยักหน้าโดยเร็วมีหนำซ้ำยังลวงปืนจากซองอกเสื้อเปิดโม่ออกเทปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วสามปลอกยื่นส่งให้ครับ นี่ยังไงคุณปอกกระสุนยังค้างอยู่ในช่องโม่นี่ฉันยังไม่ได้บรรจุใหม่เลยกระสุนที่ยิงเป็นแบบหัวกรวยฝาชีสำหรับเจาะโูหักพรานใหญ่รับปอกทั้งสามมาเดาะในมืออย่างไม่สนใจอะไรนักแต่คำนวณระยะจากตำแหน่งที่คริสโรลออกไปยิงมันห่างจากบริเวณที่ด็อกเตอร์สแตนลียังยืนเป็นตัวอย่างอยู่แค่ไม่เกินหกจิเมตรเท่านั้นซึ่งเขาเชื่อเหลือเกิน ว่าระยะขนาดนี้มืออย่างคริสจะไม่มีวันยิงผิดเป็นอันขาดแม้จะตื่นเต้นตกใจสักเพียงใดแต่ก็แกล้งย้อนถามมาว่าคุณแน่ใจเหรอคริสว่าคุณยิงถูกและสมมุติว่าถูกคุณแน่ใจไหมว่าควรจะถูกอวัยวะส่วนไหนของมันคุณเลงหรือหมายตำแหน่งที่แน่นอนในร่างกายมันหรือเปล่าคริสติน่ามีสีหน้าลำบากใจ แต่ก็ยืนยันว่าฉันแน่ใจนะว่านัดแรกและนัดที่สองควรจะต้องถูกอย่างจังที่สุดยอมรับแล้วว่าไม่ทันเลงแต่ระยะคอมแบท ใ, ใกล้ๆแค่นี้เองฉันจับสองมือยิงนะคุณเป้าหมายก็ควรจะเป็นบริเวณอกของมันแต่นัดที่สามที่ยิงไล่หลังไปนะ่ะมันอาจจะผิดก็ได้ ไม่มีร่องรอยอะไรที่จะแสดงให้เห็นว่ามันถูกลูกปืนคุณเลยนะคุณอย่างไยมันควรจะมีรอยเลือดสักหยดสองหยดไม่ใช่เหรอถ้าคุณยิงถูกอะ่ะเขาชี้ไปที่บริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงทุกคนพยายามช่วยค้นหาแต่ก็ไม่พบวี่แววอะไรทั้งสิน้นนอกจากรอยเท้าของมันเท่านั้นล้ะปินเองก็แกล้งพูดไปเช่นนั้นเองมันจะ เ, เลือดที่ไหนมาหยดให้เห็นได้ สำหรับไอผีดิบที่เขาพบเห็นมันมาก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายวันนี้โดยไม่บอกให้คณะนายจ้างทราบเพราะมันเป็นแต่เพียงซากเท่านั้นซากซึ่งแต่แรกนั้นเขาคิดแต่เพียงว่าเป็นเพียงศพโบราณดึกดําบรรธรรมดาขณะที่พบก็เกิดสังหรณ์ระแวงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นว่าถ้ามันเกิดเคลื่อนไหวได้ก็เห็นจะไม่เข้าทีแน่เรื่องแบบนี้ ก็พิสูจน์แล้วว่าข้อระแวงของเขาเป็นความจริงไม่เพียงแต่มันจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปซะก่อนที่บุญคำกับเขาจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งเท่านั้นตกดึกมันยังเข้ามาเล่นงานคณะเดินทางทั้งหมดอีกโดย่วยโอกาสตอนที่เขาไม่สบายหมดสติอยู่บอกให้คริสยิงถูกร่างกายส่วนใดของมันก็ตามก็อย่าหวางเลยว่าจะได้พบรอยเลือดหรือหยุดมันได้ ตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถจะค้นพบความจริงออกมาได้ว่ามันสามารถจะลุกขึ้นมาเดินเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการใดๆได้ด้วยอำนาจมหาศา์ลี้ลับเช่นไรซึ่งสิ่งนี้เขาก็ยังไม่อาจตัดสินได้ถูกว่าจะอธิบายให้คณะนายจ้างอเมริกันชุดนี้เข้าใจได้ยังไงหรือไม่เพราะตัวเองก็ยังเผชิญปัญหาที่มืดมนไปหมดอยู่เช่นนั้น คำพูดที่ไม่ตรงกับความรู้สึกภายในของเขาประโยคนั้นทำให้ฝ่ายอเมริกันอึโดยเฉพาะคริสซึ่งเป็นคนยิงด้วยมือเองสีหน้าของหล่อนยามนี้ปั้นยากที่สุดดูเหมือนจะอยากร้องไห้นี่คุณฉันกล้าสาบานนะว่าฉันยิงถูกมันแน่แน่เจ้าแต่ทำไมมันถึงไม่ได้แสดงอาการว่าถูกลูกปืนหรือมีรอยเลือดหยดอยู่ให้เห็นบ้าง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นความลี้ลับที่น่าขนพองสยองกล้าเหลือเกินแต่อย่างน้อยการยิงของฉันก็ทำให้มันแผลหนีไปล่ะผมไม่คิดว่าการแผลหนีไปของมันจะมาจากลูกปืนของคุณหรอกนะคริสแต่มันน่าจะมาจากข้อที่ว่ามันเห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ตื่นกันขึ้นมาเห็นมันกันแล้วก็ได้แล้วก็หมดโอกาสจะทาอะไรต่อไปอีกได้ จึงหนีไปซะก่อนลูกปืนของคุณแม่จะยิงถูกก็ไม่ได้ทำให้มันบากเกดเจ็บหรือสะทกสะเทือนอะไรเลยและร่างกายของมันก็ไม่มีเลือดด้วยสภาพของมันเหมือนหุ่นยนต์ที่ปราศจากชีวิตหากแต่การเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการลงไปด้วยการบังคับของคลื่นวิทยุนี่เราพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่ถ้าทางด้านไซเอสต์มนมืด การเคลื่อนไว้ได้ของซากนี่จะต้องถูกบังคับด้วยกริยามนหรืออิทธิฤทธิอำนาจชั่วร้ายที่ลึกลับซึ่งกำลังจ้องที่จะเล่นงานพวกเราอยู่วี่คุณพูดว่างไงนะระพินอเมริกันทั้งสี่คนร้องลั่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความงุนงงประหลาดใจขีดสุดรพินไพร์วันเริ่มยุ่งยากใจ เขาเผือตัวบอกความจริงอะไรบางอย่างแกพวกนั้นไปแล้วบัดนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นซึ่งจะต้องอธิบายต่อไปในสิ่งที่เขาพูดและตัวเองก็หมดปัญญาที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจได้แน่และเหตุการณ์ที่จ ะ, ะเผชิญกันต่อไปข้างหน้านั้นที่จะทำให้กลุ่มชนที่มาจากแหล่งเจริญสุดขีดแล้วเชื่อถือเคารพเฉพาะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ได้รู้เห็นเข้าใจซึมซาบไปทีละน้อยได้เองคนเหล่านี้ไม่เคยยอมรับในความลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติสามัญมาก่อนไม่เคยประสบพบเห็นถ้าขืนพูดอะไรออกไปมากเขาจะถูกพิจารณาเป็นตัวตลกไปซ ะ, ะเปล่าเอาว่าให้เหตุการณ์มันสอนเองดีกว่าเอาละครับอย่าเพิ่สนใจอะไรที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้เลย ผมจะตามไปดูรอยของมันทางด้านที่บุญคำบอกว่าหายเข้าไปในถุงช้างหวังว่าพวกคุณก็คงอยากจะไปหินด้วยนะครับแน่นอนเราอยากจะไปหินพร้อมกัคุณนั่นแหละที่ยังรีรอกันอยู่ก็เพราะอยากจใจคุณตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์ซะก่อนเท่านั้นคิดบอกมาในทันทีระพินสั่งให้เกิดและเสย อ, อยู่เฝ้าแคมป์ตามเดิมพร้อมกับลูกหาดทั้งหลาย รวมทั้งสั่งให้เตรียมขุดหลุมได้เลยเพื่อจัดการฝังศพลูกหาบครร้ายทั้งสองเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากนั้นเขาก็ออกเดินโดยไม่รอช้าแกะรอยตีนประหลาดนั้นไปด้วยประสาทสัมผัสและความชำนาญของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยให้บุญคาหรือจันเป็นผู้นาสมุนซ้ายขวาของเขาเร่งฝีเท้าตามมาอย่างกระชั้นชิดส่วนกลุ่มนายจ้างทุกคนกับเชิดวุฒก็ตามมาติดติ รอยตีนขนาดใหญ่และก้าวยาวๆนั้นปรากฏชัดเจนบ้างเลื่อนลางไปบ้างสุดแล้วแต่ว่าพื้นดินจะแข็งหรือนุ่มฝนที่ตกหนักเมื่อบ่ายวันนี้ช่วยสร้างรอยให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดมันเดินไปตามทางด่านระหวางป่าไัยหนาเลี้ยวลักไปมาราวกับใครแกล้งเอาเท้าจำลองที่หล่อไว้ในปูนพลาสเตอร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ผิดมนุษย์ธรรมดาทิ้งไว้ให้เห็นแต่รอยที่ปรากฏอยู่นั้นพินิษด้วยสัญชาตญาณพรานผู้เกนไ์ใครเช่นเขาก็ตรหนักได้ในทันทีว่ามันเป็นการเดินของเจ้าของร่างกายประหลาดอย่างแน่นอนจะเดินด้วยลักษณะที่รีบเร่งเพราะบางแห่งที่ดินอ่อนมากนั้นจะเห็นส่วนของปลายเท้าจิกลึกแทบจะสังเกตเห็นนิ้วได้ ทั้งหนิ้วทีเดียวสิ่งที่เขายังตังขาอยู่ในขณะนี้ก็คือมันจะเป็นเจ้าของรอยตีนร่างเดียวกันกับที่เขาไปพบเห็นซากประดุดท่อนไม้เมื่อบ่ายวันนี้หรือเปล่าตอบใดก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นมันด้วยตาตนเองเช่นเมื่อคืนนี้เขาก็ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้แต่สําหรับบุญคํานั้นเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซนว่ามันจะต้องเป็นรอยตีนของไอ้ซากประหลาดนั้น ระหว่างที่เดินสาวรอยกันมาบุญคําพยายามเดินเคียงใกล้ชิดเขาตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสพูดด้วยเพราะถึงยังไงกุ่มนายจ้างก็เว้นระยะห่างพอควรขณะที่เดินตามมาเบื้องหลังและระพินก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากโดยไม่หยุดรอระหว่างไล่หลังตามมันมาบุญคํากระจันเห็นด้านหลังมันบ้างหรือเปล่าแทานเห็นตัวไหม เขากระซิบถามไม่ทันได้เห็นมันหรอกนายรู้สึกว่ามันจะเดินเร็วมากแล้วบุญคำก็มัวแต่ขอยดูรอยมันตามพื้นอยู่เพราะกลัวจะตามไปผิดทางไงมาเงยขึ้นอีกทีหนึ่งก็ปะหน้าก็ะกองทับจมูกยาวเขา้าแถวตั้งหน้ารับอยู่แล้วสองคนกระจันวิตแบนตกแตะไปแล้วและนายบุญคาแน่ใจไหมว่ามันจะเป็นไอตัวเดียวกับที่พบมาแล้ว โถนายแต่เท่าครั้งมันจะเป็นไอตัวอื่นไปได้ยังไงล่ะนายรูปการมันก็บอกอยู่ชัดเมื่อบ่ายวันนี้นะพระบุญคํากับ น, นายย่องไปที่มันอีกครั้งจะเอาสายสินไปล้อมมันไว้มันก็นกรู้รีบย้ายตัวเองหายไปอย่างลึกลับบุญคําก็บอกนายแล้วว่ามันเอาเราแน่แต่ก็ยังใจชื้นอยู่ว่านายยังอยู่ทั้งคน ต่อให้มันแสดงริดเดยยังไงเมื่อคืนนี้นายก็คงรับมืออยู่บังเอิญสินดีนายก็มาเป็นใครไม่รู้สึกตัวซะความจริงก่อนนอนเมื่อคืนเนี่ยนะบุญคำก็เอาสายอาคมไว้รอบบางพักเราหมดแล้วแต่อาคมของบุญคำสู้มันไม่ได้เอาไว้ไม่อยู่นายนะ่ไม่ต้องสงสัยไปหรอกว่ามันจะเป็นตัวอื่น ก็ไอตัวที่เราเห็นนั่งแงะแก่อยู่ตรงซอกโพรงหินเนือฟังห่วยนั่นแหละนายถึงบุญคำจะไม่ทันได้เห็นตัวมันตอนที่มันโดดเข้ามาเมื่อคืนแต่ฟังรูปร่างลักษณะของมันตามที่พวกนายห้างกําแหนงเล่าให้ฟังมันก็ไอตัวเดียวกันชัดๆแล้วรบพินกัดริมฝีปากคำรามออกมาเราเสียท่ามันซะละบุญคำจิตใจตัวเองจริงๆ ที่เมื่อคืนฉันมัมแต่ไม่สบายซะในที่สุดคนของเราก็ตายลงจนได้พร้อมกันเลยทั้งสองคนฉันหนูเจนาไว้ที่ไหนนะายฝรั่งพวกนั้นเหลือเกินในฐานะที่ฉันเป็นผู้รับผิด ช, ชอบในชีวิตของทุกคนบุญคำว่ามันเจตนาจะเล่นงานลองดีกันนายแน่ๆลงมาอีรูปนี้เหมือนจะอาคาดแขนอะไรนายมาเงั้งยงแหละ แต่นายอย่าสีใจไปเลยคนเรามันก็มีที่เผลอที่พลาดเหมือนกันต่อให้ระวังกันสักแค่ไหนเมื่อวานนี้ตอนที่นายพบมันนั่งเป็นซากแข็งทื่ออยู่ไขอตอนนั้นเราไหวทันจัดการเผาซากของมันซะมันก็คงเสร็จเรื่องไปแล้วบุญคำคิดว่าจะเตือนนายอยางงั้นเหมือนกันแต่ไอ้รู้มีอะไรมาปิดปากไว้มาสังหนนึกได้อีกที ก็ตอนที่บุญคำไปชวนนายให้ย้อนกลับไปดูมันอีกกันแหละก็พอดีกันเพราะเราไปถึงกล่าวหลังมันก็ลุกขึ้นเดินหนีไปซะและ้วยังก็ะอ่านใจเราออกหน่นา ย, นายบุญคำขี้ยอมรับว่าฉันประมาทไปหน่อยและมองข้ามประสบการณ์ที่เราเคยพบกันมาก่อนแล้วลักษณะของมันไม่ผิดอะไรเลยก็ไอ้ผีดิบมันไกล ที่เราปเผชิญมาในครั้งนั้นแล้วก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันด้วยเพราะมันเป็นซากของศพอาบยาในนิทรานครเองถึงแม้คำพิอุบาทนั่นจะถูกเราล้างอาถรรพ์ทำลายไปแล้วถึงแม้เราจะกําจัดซากของมันไปและไอ้โครงดํานั่นย่อยยาไปจนกระทั่งปราสาท พ, พันธุมวดีก็ถูกนายใหญ่เชษฐาระเบิดพินาตไปพร้อมกันแต่เราก็ลืมนึกถึงความจริงข้อหนึ่ง สุสานของนิทรานครอันเป็นภูเขาทั้งลูกที่นายทหารชั ย, ยันกับนายแมมมาเรียเข้าไปถูกติดขังอยู่ในครั้งนั้นเรายังไม่ได้ทำลายสุสานแห่งนั้นวิจัดการกำมันยังไงลงไปเลยไอ้พวกผีดิบตายซากเหล่านั้นยังมีอยู่เต็มทั้งสุสานภายใต้ภูเขาทั้งลูกทีเดียวบุงคำเบิกตาโตมองหน้ารับนาย แล้านายคิดยังไงมันไตรนะไม่มีร่างเดิมของมันแล้วนะเสื้อโครงดำที่เกิดจากอำนาจเวทมนต์ของมันก็เพียงทังพินาศไปด้วยเพราะนายทาหารชัยยันวางกับระเบิดทุกวิญญาณที่ถูกสาปด้วยคำพีอุบาทของมันถูกปลดปล่อยเป็นอิสาระไปหมดก็จริงอยู่แต่บุญคำคิดบ้างไหม วิญญาณของมันไตรนะ่ะเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยอำนาจเวทมนต์ชั่วร้ายมันไปอยู่ที่ไหนฉันไม่คิดว่ามันจะเสื่อมสลายไปหมดหรอกแต่คงยังวนเวียนอยู่แน่นอนแล้วก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปสิงอยู่ในศพใดศพหนึง่งภายในสุสานของนิกายนครแห่งนั้นเพื่อกลับคืนมาจองเวียนกับเราอีกโดยเฉพาะฉัน ซึ่งเป็นต้นเหตุทำลายล้างสัยเวทอาถรรพ์ของมันให้เสื่อมสิ้นไปในครั้งนั้นบัพพร้าเท่าตบขาตัวเองโดยแรงนายถ้าอย่างกั้นนายก็คิดเหมือนบุญคำไม่มีผิดบุญคำคิดอย่างนี้แหละคิดมาก่อนแล้วแต่ไม่กล้าพูดจันผู้เดินฟังอยู่ใกล้ๆด้วยได้ยินแววๆจับความไม่ถนัดก็กระซิบถามแทรกมาว่า พี่นายกับพี่คํำมีอะไรก็คุยจันรู้มั่งดิบุญคําตกไหล่ลูกน้องแล้วเอียงหน้าเข้าไปที่ริมหูบอกว่าเอ็งเฉยๆไว้ก่อนไอ้จันแล้วข้าจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรไอ้เรื่องทิบพายบลัยจักรนั้นมันเกิดขึ้นกับพวกเราอีกแล้วเหมือนเหมือนกับตอนที่เดินผ่านเข้าไปในนิทรรนครไม่มีผิด อย่าให้กูพบเห็นมือนั่งโดิเป็นท่อนไม้อยู่ที่ไหนอีกนุย้ยพอจะเอายันอีเป๋แปะหน้ามือซะเลยเจ็บใจนักหน่อยเนี่ยบังอาจข้ามรั้วอาคมของกูเข้ามาได้ประโยคหลังแต่สะบดสาบานขบเขียเข้ยวคิ้วฟันอย่างเดือดแค้นชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นทั้งจันและบุญคำก็ชี้ไปที่ดงไายซึ่งเริ่มจะโปร่งบางตา ไม่ห่างออกไปข้างหน้านะักและบอกให้ทราบว่าตำแหน่งนั้นแหละที่ต่างเดินมาปะหน้าเอาขล้งช้างที่ยืนเรียงเป็นหน้ากระดานดักอยู่พระพินมองเห็นได้ทันทีจากรอยเท้าช้างที่ย่าอยู่สับสนเต็มไปหมดและพยานหลักฐานที่ฟ้องชัดก็คือหย่อมเลือดกองโตๆโที่หยดย่เรีราดนั่นเป็นเลือดของช้างที่บุญคากับจัน สต์กระสุนไรเฟิลเข้าใส่ก่อนที่จะเพนหนีเข้ากำบังตัวอยู่ในกอไผ่ด้านหนึ่งด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดของพรานผู้ชำนาญไพรมีแต่รอยเลือดเท่านั้นแสดงว่าตัวหนึ่งหรือสองตัวถูกยิงบาดเจ็บไปแต่ไม่ปรากฏว่าจะมีซาช้างล้มอยู่เลยหรือไม่ฉะนั้นไอตัวอื่นๆก็คงจะช่วยกันพยุงตัวที่บาดเจ็บหรือตายไปให้พ้นจากบริเวณนั้น เสียงกลุ่มนายจ้างที่ตามมาเบื้องหลังอุทานกันให้แทรกไปหมดและกระจายกันออกตรวจรอยเท้าช้างและรอยเลือดเหล่านั้นแต่ะพินพยายามแกะรอยเท้าของไอ้ผีดิบต่อไปความเปียกแฉะของพื้นดินอ่อนๆบริเวณนั้นทำให้ยิ่งมองเห็นชัดเจนที่สุดแล้วเขาก็หยุดยืนนิ่งอยู่ที่รอยสุดท้ายซึ่งอยู่ๆมันก็อันตรธ า, านหายไปเฉย ท้กับว่ามันเหาะไปในอากาศฉะนั้นหมอไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะเดินไปทางไหนอีกและนอกเหนือจากรอยเท้าของมันที่สะดุดสูนหายไปเฉยๆแล้วก็มีรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดปกติของช้างขนาดที่คนร่างใหญ่เช่นคิดแทบจะลงไปนั่งขัดสมาธิได้อย่างสบายบุญคํากับจันที่ตามรอยมาเมื่อคือนนี้ก็เพิ่งจะเห็นเอาเดี๋ยวมีเหมือนกัน เพราะขณะที่ตามรอยของมันมาเมื่อคืนยังไม่ทันจะถึงตำแหน่งที่ระพินคนพบนี่ก็ปรากฏต้องประจันหน้ากับขลุงช้างซะก่อนต่างคนต่างหลบหนีเอาชีวิตรอดจึงไม่ทราบได้ว่ารอยของไอ้ผีดิบสิ้นสุดลงตรงไหนสรุปรู้ได้แต่เพียงว่ามันเดินฝ่าหายเข้าไปกลางขลุงช้าง จอมพรานควักซิปโปออกมาจุดลนกัสิก้าซึ่งดักไปครึ่งตัวเขาสูบอีกครั้งขณะที่รีตาเหมือนจะเข้าฌานเพ่งอยู่ที่รอยเท้าตำแหน่งสุดท้ายนั้นอุจใจต่อมากลุ่มนายจ้างทั้งหมดที่กระจายกันอยู่รอบๆ บ, บ, บริเวณก็พรูมาที่เขาก่อนที่ใครจะเอ่ยปากถามเช่นไรกระพินก็ใช้ปากกระบอกไรเฟิลในมือ ชีลงไปให้ดูตำแหน่งของรอยเท้าสุดท้ายนั้นทั้งหมดล้อมวงจ้องดูแล้วมองหน้ากันเองหลึกหลักเชอร์วุธพยายามที่จะเหลียวค้นหาไปรอบๆเพื่อจะพบรอยมันเดินไปทางไหนอีกแต่ก็ไม่เห็นคีปอิสเบรคริสตินาและด็อเตอร์สแตนลีย์ต่างมีอาการงงเป็นไก่ตาแตกไมกูสเน เบลอุทานแผ่วเบากายของหลอนสั่นเทิมรอยเท้าของมันหายไปไหนซะแล้วนี่มาหยุดชะงักแค่นั้นเองทั้งที่พื้นบริเวณนี้ก็เปียกอ่อนพอที่จะรับรอยเท้าของมันได้ถ้ามันยังเดินต่อไปไหนช่วยกันตรวจคนให้รอบๆสิมันอาจหันกลับเดินไปทางอื่นไงหัวหน้าคณะร้องเร็วปรื้กว่าตาไปรอบๆ อ, อีกคน อย่าไปค้นหาเสียเวลาเลยครับไม่มีประโยชน์หรอกครับผมแกะรอยมันมันทุกก้าวทีเดียวครั้งสุดท้ายมันมาสิ้นสุดเอาตรงรอยนี้แหละครับรบพินบอกทุกคนขึ้นด้วยเสียงต่ำลึกของเขาและมองไปยังภูมิประเทศรอบด้านซึ่งเป็นพงไม้หักระเนระนาดอันเกิดจากขลุงช้างป่าวิ่งเข้าชนปะทะรอยช้างที่อยู่ใกล้ๆรอยตีนของไอ้มอนสเตอร์นั่น มันใหญ่หรือเกินอะใหญ่กว่าช้างแอฟริกาตั้งเท่าตัวแน่ที่ร้องโวยวายทำตาเหลือสำหรับพระพินเขามองดูรอยตีนช้างใหญ่เหนือกว่ารอยช้างทั้งหลายที่ย่ำกันอยู่สับสนอย่างไม่ตื่นเต้น ใ, นใดๆทั้งสิน้นเพราะความใหญ่โตน่ากลัวของมันก็ยังไม่ได้เพียงเสี้ยวส่วนกับสิ่งมหศัศจรรย์ของสัตว์ใหญ่ในดงอาถรรพ์ที่เขาเคยผ่านพบมาก่อนแล้ว มันก็เป็นช้างป่าธรรมดาที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างสามันไปบ้างเท่านั้นเทียบกับช้างไดโนเทเรียมที่ะจนประจั์กันมาแล้วกับคณะของคุณชายเชษฐาเมื่อคราวบุกเทือกพระศิวะไอตัวนี้ก็เป็นแค่ลูกช้างเท่านั้นนั่นเป็นความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวของเขาสำหรับเชิดบุตรและฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมด เพียงแค่เห็นรอยตีนช้างที่ใหญ่พิเศษออกไปบ้างเท่านั้นทุกคนมีอาการเหมือนจะเข่าอ่อนหน้าซีดกันไปหมด hey, อย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวนี้ต้องหนักสิบตันขึ้นไปดอกเตอร์สแตนลีย์ทำปากหมุบหมิดแทบจะไม่มีเสียงผ่านลำคลอจากขลุงของมันแน่ครับและผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นไอ้ตัวที่มีงาสีดำ อย่างที่กะเหรี่ยงพวกนั้นบอกเรานี่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริงของมันกระตาแต่ก็ได้รอยของมันแล้วเข้าใจว่าไม่ผิดไปหรอกแต่นี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรทั้งสิ้นที่แปลกประหลาดซึ่งจะต้องคบคิดกันก็คือเขายักไหล่ทำเสียงในลําคอขณะที่มองหน้าทุกคน รอยตีนของมอนสเตอร์ตนนั้นศูญหายไปไหนพวกท่านสะดุดกับปัญหาข้อนี้หรือเปล่าครับทั้งหมดพากันยืนตัวแข็งกันไปหมดมองที่รอยตีนอมนุษย์และรอยตีนช้างสลับกันระพินเสียงแหบเหือดแผวโหยของคริสติน่าดังขึ้นอย่างยากเย็นคุณคุณคงไม่บอกเรานะว่า เสียงของหล่อนขาดหายไปเพียงแค่นั้นมือข้างหนึ่งวางกุมอยู่ที่หน้า อ, อกและทุกคนก็แทบพงังอะเมื่อสุภาพบุรุษไพรเอ่ยขึ้นช้าช้าชัดเจนแต่เบาเรียบว่าไม่บอกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นความจริงอย่างที่คุณคิดนั่นแหละนั่นก็คือไอ้อมมนุษย์ที่เดินผละหนีมาภายหลังจากคุณยิง ได้เดินมายังขลุงช้างซึ่งยืนรอรับอยู่ที่นี่แล้วมันก็ก้าวขึ้นไปอยู่ที่บนคอช้างตัวนั้นช้างใหญ่เป็นจ่าขลุงทำหน้าที่เป็นพาหนะนำมันหนีไปพร้อมกับลูกขลุงทั้งหลายเพราะฉะนั้นรอยเท้าของมันจึงมาหยุดหายเพียงแค่นี้มีแต่รอยตีนช้างให้เราเห็นแทนนี่แต่ฝนไม่ตกไว้ก่อน ดินไม่เปียกชัดเราก็ไม่มีวันรู้ได้เลยว่ามันหายจากที่นี่ไปได้โดยวิธีใดมันไปกระช้างขลุงนั่นครับขึ้นนั่งขี่คอช้างไปไม่ผิดอะไรกับควันหรอกครับเบนผู้เป็นหมอด้วยตัวเองขนาดนี้มีอาการเหมือนจะเป็นลมสุดตัวลงไปนั่งแขะกระหินก้อนนึงที่โผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อย ขีนร้องจักอะไรออกมาคำหนึง่งแทบจะกระโดดตัวลอยเชิดบุรทาปากหมุบมิบเหมือนจะสวดมนต์คริสติน่าหยุดหายใจไปชั่วขณะคงมีแต่ด็อเตอร์สแตนลีย์เท่านั้นที่อาการสงบกว่าใครเพื่อนขณะ น, นี้มองสบตารพินแน่วนิ่งดวงตาสีฟ้าของอเมริกันอาโสเ ต, ต็มไปด้วยปัญหานา น, านับปการ ที่ต้องการคำอธิบายและต่อให้ประสาทแข็งมั่นคงสักเพียงใดก็ตามบัดนี้หัวหน้าคณะก็ถึงก็ต้องกรอกบันดีในกระติกที่สะพายติดตัวมาด้วยเข้าไปราวกระดื่มน้ำเปล่าเพื่อกระตุ้นเลือดทุกหยดในร่างที่มีอาการเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งระพิน ในที่สุดอเมริกันอาวุโสก็ล่นท้อยคำออกจากปากดูเขาเครียดขื้มจริงจังผิดไปกว่าทุกครั้งความลำบากใจและอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดเปิดเผยออกมาจากสีหน้าแลเห็นได้ชัดคุณลงความเห็นว่ามันไปกระช้างขลุงนั้นโดยขี่ไปบนคอของไอตัวจ่าขลุง ตัวที่เราเห็นรอยตีนขนาดใหญ่ที่สุดนี่คุณอธิบายได้ไหมมันเป็นยังไงไมายังไงและไอ้บอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวพันยังไงกับไอ้โคลงของไอ้งาดำด็ตอร์ครับในขณะนี้ผมยังอธิบายอะไรชัดเจนออกมาไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตอบราบเรียบยากที่ใครจะอ่านความรู้สึกภายในได้เหมือนเคย แต่จากพยานหลักฐานและร่องรอยที่ผมเห็นนี่ผมเชื่อเช่นนั้นครับเว้นไว้ซะแต่ว่าพวกท่านจะไม่เชื่อในการอ่านรอยของผมนี่ตอบคำถามให้ตรงๆชัดๆสักคำเถอะเพื่อนไอ้เจ้าของรอยตีนที่เข้าไปเล่นงานคนของราตายไปสองคนและเดินฝ่าก็มาในขลงช้างนี่เน่ะมันเป็นอะไร เป็นคำถามจากพันเอกคิดมันไม่ใช่สัตว์ครับแล้วก็ไม่ใช่คนแต่จะเป็นอะไรแน่นอนน่ะก็ยังลงความเห็นไม่ได้แน่ชัดเหมือนกันขอเราตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนแล้วกันครับว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งสอเจตนาร้ายเป็นภัยกับคณะพวกเราทุกคน จะเรียกง่ายๆว่าผีดิบไปพลางๆงก่อนไม่ใช่ผีดิบเฉยๆนะครับหากแต่ยังเต็มไปด้วยคาถาอาคมกิตยามนอันเร้นลับเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์อำนาจมืดพวกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือคล้อยตามในคำพูดของผมนี่ก็ได้ครับแต่ก็รับฟังไว้ก่อนแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่ทราบจะอธิบายอะไรได้มากไปกว่านี้อครับแล้ว แล้วมันมาแสดงตัวเป็นศัตรูมุ่งร้ายกับเราถึงเพียงนี้เพื่ออะไรกันคุณคริสตินาอุทานเบาๆจอมพรานเอานิ้วขีบสันจมูกหลับตาลงชั่วขณะใครจะรู้ได้ล่ะครับคุณเขาพึงพําภัยมืดจากป่ามรณะแถบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆเสมอแหละครับ โดยหาเหตุผลที่มาของมันยากหรืออาจจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราค้นคว้าติดตามออกต่อไปภายหลังผมได้กล่าวเตือนพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วเมื่อก่อนออกเดินทางมาในครั้งนี้ว่าเขปปาดิบดงดำโดยทิศทางที่เราจะมุ่งไปนี่นมันเต็มไปด้วยสัพพะอันตรายสารพัดที่ผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันมีอะไรบ้าง และมันจะมาในแบบไหนแบบนี้พวกท่านก็ได้ประจักษ์กันเองกระตาแล้วถูกแล้วครับมันเป็นวิทยาปริศนาเป็นวิทยาคำถามว่ามันคืออะไรและทําไมมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยเวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องคลี่คลายคําถามเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ตายซะก่อนสําหรับผมเสียใจมากกว่าทุกท่านครับเพราะคนของผมถึงได้ชีวิตไปถึงสองคนพร้อมกัน มันหมายถึงว่าผมไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองเขาไว้ได้เพราะมัวแต่นอนจับไข้ซะแต่ก็ยังดีใจนะครับที่ฝ่ายนายจ้างของผมปลอดภัยสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกไปนี้เราต้องเตรียมพร้อมระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะครับผมคิดไปไม่ถึงจริงๆครับประโยคสุดท้ายเขาพึมพมกับตัวเองอย่างขมขื่น มันนึกไปถึงศพของวงและมวนซึ่งถึงแก่มรณการไปอย่างทารุณหน้าทุเรศที่สุดทั้งสองเด็กหนุ่มก็คือคนใกล้ชิดในหมู่บ้านที่เขาปกครองอยู่นั่นเองและมันก็แปลว่ากําลังของลูกหาเต็มอัตราสิบคนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เพียงแปดคนเท่านั้นปัญหาอื่นมันคงจะตามมาอีกทุกคนเงียบงันไปอีก ดรสแตนลีเข้ามาจับแขนเขาไว้บีบหนักหน่วงน้ำเสียงปลอบโยนกระพินเราทุกคนเข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีที่สุดที่เกิดเหตุร้ายจนถึงกับชีวิตของคนสองคนในคณะเราเมื่อคือนนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต่อไปนี้เรามาร่วมหารือกันอย่างใกล้ชิดเถอะว่าจะเตรียมแก้ไขข้อบอกพร่อง หรือรเผชิญหน้ากับมันยังไงต่อไปทางด้านฝ่ายผมนะขอรับรองว่าขวัญและกําลังใจยังดีอยู่และพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณในทุกวิถีทางยอมรับว่าที่เรามาพบเห็นอยู่นี่เราไม่คาดฝันมาก่อนมันลี้ลับหน้าสะพึงกลัวสยดสยองเหลือเกินแต่มันก็ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของเราเหมือนกัน พวกท่านเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและมีกำลังใจดีมากครับสำหรับตัวดรอกเอรนเหมาะสมเลยครับที่จะเป็นหัวหน้าคณะผมต้องการร่วมทางกับบุคคลประเภทนี้แหละครับถ้าหากพวกท่านเสียขวัญจะอย่างเดียวผมก็ยิ่งลำบากใจลงไปมากกว่านี้ดีไม่ดีการเดินทางอาจจะล้มเหลวกลางคันสำหรับผมไม่ต้องห่วงครับลงได้ตัดสินใจรับนำทางมาแล้ว ก็ถึงไหนถึงกันจนกว่าพวกคุณจะสั่งให้กลับเองครับนี่บอ๊อบเรามีความรู้สึกว่าเราได้เหยียบย่างเข้ามาสู่เขตของโลกมหัศจรรย์ใช่แล้วนะเนี่ยคิดพูดดังๆว่าแต่ว่าเราจะรายงานให้ขอบัญชาการเขาทราบความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ยังไงไอ้พวกที่ลอยฟ้าอยู่เหนือเราขณะ น, นี้มันคงจะหัวเราะขบขัน เห็นว่าพวกเราบ้ากันไปสมุดเลยล่ะก็ยังไม่ต้องรายงานอะไรในสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะล่วงรู้เข้าใจได้เหล่านี้เอาเป็นว่ารายงานปกติธรรมดาก็แล้วกันถึงตําแหน่งที่อยู่ของเราและทิศทางที่บ่ายหน้าไปฉันก็ไม่อยากให้หน่วยเหนือเขาเข้าใจว่าพวกเราณนะวิปริตกันไปหมดทั้งคณะแล้วด็อร์สแตนลีย์บอกมาขึ้ง เชิดวุญนั้นไม่พูดอะไรกับกลุ่มนั้นหากแต่เลี่ยงไปแอบซุบซิบอยู่กับจัน์และบุญคำอีกทางเบยังนั่งยังหมดเรี่ยวแรงอยู่ตรงก้อนหินเตี้ยที่เดิมถ้าทางหล่อนอกสันขวัญกระเจิงกว่าเพื่อนคริสติน่าเข้าไปฉุดแขนประคองให้ยืนขึ้นนี่เบอย่าทำเหมือนคนจะตายอย่างนั้นเลยนะถึงยังไงเธอก็ไม่มีโอกาสจะถอนตัวตลับได้อีกแล้ว ไม่เคยกลัวสัตว์หรือกลัวคนไม่ว่าจะร้ายกาศสักขนาดไหนแม่หมอผมแดงประจำคณะพูดอย่างยากเย็นแต่ฉันไม่รู้สึกสนุกที่จะมาพบเห็นกับเรื่องพิลึกกึกคือแบบนี้เมื่อคืนนี้นะ่มันกวากมือเรียบฉันซะด้วยถ้าอาจารย์กับเธอตื่นขึ้นมาไม่ทันในตอนนั้นยังทายไม่ถูกเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้น นิรภัยถามจริงๆเอะคุณเคยพบกเหตุการณ์ประหลาดประเภทเดียวกับที่เราได้พบนี่เมื่อคืนนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าคิดลองถามมาเคยครับยิ่งกว่า น, นี้สักสิตเท่าด้วยซ้ำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผมค่อยๆแสวงหาต้นเหตุและแก้ปมไปทีละปลาะซึ่งมันก็รู้ล่วงไปได้ แม้บางกรณีจะยากเย็นจนแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ตามของทุกอย่างในโลกนี้มันมีการแก้กันได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเรารู้ทันและเข้าใจวิธีการอำนาจขอ ง, งน้ำกรดจะหมดสิ้นไปทันทีถ้าเราแก้ด้วยด่างนั่นคือวิทยาศาสตร์เคมีในทางไสยาศาสตร์ก็มีหลักเกมคล้ายๆกันครับมันใช้มน์มืดมายาเล่นงานเรา เราก็ต้องตอบโต้มันด้วยสายเวชเช่นเดียวกันผมแน่ใจว่าผมพอจะรับมือมันได้ครับขอให้รู้ตัวแน่ชัดออกไปเท่านั้นแหละทั้งฝ่ายท่านทั้งหลายถ้าจะให้การร่วมมือกับผมก็แค่จะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่ทำอยู่ในขอบเขตที่ผมสั่งหรือแนะนำอย่านอกลูก่นอกทางเท่านั้นก็จะปลอดภยัยดูเหมือนว่าเมื่อหัวค่ำวานนี้ ผมก็ได้เตือนท่านทุกคนแล้วให้ระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมทุกทุกขณะถ้าได้ยินหรือได้เห็นอะไรผิดปกติก็อย่าปลูกออกมาดูเพียงคนเดียวแต่ให้ปลูกพักพวกขึ้นมาร่วมรับรู้ด้วยนี่คุณพินฉันรู้สึกว่าคุณจะมีการสังหรณ์ร้ายอะไรล่วงหน้าแล้วสำหรับหัวค่ามเมื่อคืนแต่คุณไม่ยอมบอกเราตามตรงอ่ะ คริสติน่าเอ่ยขึ้นผมก็ไม่ทราบจะบอกตามตรงได้ยังไงเหมือนกันน่ะเพราะทราบในพฤติการว่ามันจะเกิดในทำนองไหนก็ได้แต่เตือนทุกครั้งไปว่านับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งเราทุกคนอยู่ในเขตอันตรายทั้งสิ้นคนของผมทั้งสองคนก็ล้วนแต่เป็นลูกไพรชำนาญป่ามาอย่างดีแล้ว เขาก็ยังเผลอพลาดเสียชีวิตลงจนได้และนับประสาอะไรกับพวกคุณซึ่งไม่รู้ความเป็นไปของป่าแถบนี้เลยซึ่งจะตกเป็นเหยื่อภัยได้ง่ายที่สุดสัตว์ป่าธรรมดานะ่มันเรื่องเล็กครับหลีกลบป้องกันตัวได้ไม่ยากนะครกับแต่อาัธิลีลับของป่านี่สิมันร้ายกาดนะแล้วก็ทำให้นักเดินป่าต้องสาบสูญหรือเสียชีวิตลง นับไม่ท้วนมาแล้วลรืครับจะอธิบายกันยังไงฝ่ายที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็สุดที่จะเข้าใจหรือยอมรับได้นอกจากจะได้ประสบพบเห็นกับตัวเองเท่านั้นแหละผมไม่อยากทำตัวเป็นนักเล่านิทานโกหกให้พวกท่านฟังเพราะจะเป็นการข่มขู่ทำลายขวัญอย่างที่ผมพูดตาหนิอยู่บ่อยๆเอาเป็นว่าร้อยพบเห็นกันเองดีกว่า คิสติน่าจ้องเขาเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างตามนิสัยอันเฉียบวายละละเอียดอ่อนของหลอดนี่คุณไพรวันฉันรู้สึกว่าคุณจะรู้และเข้าใจอะไรบางอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนี่มากกว่าที่คุณบอกให้เราฟังนะเพียงแต่คุณไม่ยอมเปิดเผยพูดตรงไปตรงมากับเราเท่านั้นแหละตลอดเวลา ฉันสังเกตเห็นคุณปรึกษาซุบชิบซุบิบอะไรอยู่กับบุญคำและพยายามใช้ภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจพอถามเข้าก็มักจะกลบเกลื่อนทุกครั้งไปสิ่งผิดปกตินี่มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่คุณพูดวิทยุกับบุญคำเมื่อบ่ายวานนี้แล้วราพินคงมีสีหน้าเย็นกระด้างอยู่เช่นนั้นตัดบทว่าเราทาอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วละครับ สำหรับเช้า ว, วันนี้ผมคิดว่ารีบกลับที่พักกันดีกว่าผมจะได้จัด ก, การฝังศพลูกหาบเคราะราสองคนนั่นให้เรียบร้อยแล้วเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเคลื่อนออกเดินทางต่อในทันทีจุดหมายเดิมคือหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ตะเคียนทองครับจบคำเขาก็หันหลังกลับออกเดินดุมนาหน้ามุ่งไปยังที่พักทันที เดี๋ยวไม่สนใจว่าฝ่ายนายจ้างจะตามมาด้วยหรือไม่ซึ่งก็เป็นการบังคับให้พวกนั้นต้องรีบตามกลับไปในตัวหลุมฝังศพได้ถูกพวกลูกหาบและพลานพื้นเมืองอันเป็นเด็กหนุ่มสองคนของเขาที่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วณนะตำแหน่งที่ไม่ห่างไกลาจากที่ตั้งกระโจมพักของนายจ้างมากนะักเป็นหลุมเดียวมีขนาดกว้าง พอที่จะย่อนศพทั้งสองลงไปได้และลึกพอที่จะแน่ใจได้ว่าไม่มีสัตว์ขุดขึ้นมาได้บรรยากาศภายในบริเวณแคมป์เงียบเหงาซึมเศร้ากับพินและลูกน้องทุกคนรวมทั้งฝ่ายนายจ้างมายืนรายล้อมกันอยู่ที่หลุมนั้นเมื่อร่างทั้งสองถูกย่อนลงไปนอนสงบนิ่งเคียงคู่กันจอมพรานถอดหมวกออกยืนสงบนิ่ง เป็นการคารวะศพอยู่อึดใจหนึ่งริมฝีปากของเขาหมุบมิดเหมือนจะสวดบริกรรมอะไรอยู่ต่อมาจึงหยิบก้อนดินย่อนลงไปเป็นคนแรกต่อจากนั้นคนอื่นๆทั้งหมดก็ย่อนก้อนดินตามลงไปเพื่อเป็นการร่วมกันฝังสเตนลีทำพิธีส่งวิญญาณของผู้ตายตามหลักศาสนาของตนโดยมีคริส เบลและคีดร่วมด้วยพอเสร็จพิธีง่ายง่ายนั้นดินที่ถูกขุดขึ้นมาก็ถูกโกยลงกลบอย่างรวดเร็วสมบัติส่วนตัวของผู้ตายถูกฝังพร้อมศพด้วยยกเว้นปืนประจำมือเท่านั้นรพินไม่ได้รอดูการฝังศพต่อไปแต่กระดิกนิ้วเรียกพลานคู่ใจของเขาทั้งสี่คนรวมทั้งกะเหรี่ยงอูทะและพระโต ให้เข้ามารวมกลุ่มบุยบายให้ไปชุมนุมรอกันอยู่ยังบริเวณที่พักนอนของเขาโดยบอกว่าอีกสักครู่เขาจะตามไปแล้วก็หันมาบอกนายจ้างพวกท่านครับผมให้เวลาต่อจากนี้อีกชั่วโมงครับสำหรับการรับประทานอาหารเช้าจากนั้นเราจะเดินทางโปรดเตรียมเก็บของด่วนด้วยครับนี่ระพิน คุณแน่ใจเหรอว่าคุณแข็งแรงดีแล้วสำหรับชาววันนี้หมอเบนถามจ้องหน้าเขาเหมือนจะสำรวจอาการระพินยิ้มให้นิดหนึ่งผมแข็งแรงดีแล้วครับหมอเบนไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ขอขอบคุณที่กรุณาเยียวยาให้เมื่อคืนนี้ถ้าไม่ได้ยาจากคุณผมก็คงแย่แล้วแล้วทำไมไม่กินอาหารชาวร่วมกับเราซะด้วยละ่ะ ด็อเตอร์สแตนลีจับแขนฐานผมขอตัวนะครับสำหรับมือนี้เพราะมีเรื่องที่จะต้องปรึกษากับคนของผมอีกมากครับเชิญตามสบายนะครับปเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ครับนี่อย่างน้อยคุณจะไม่แวะเข้าไปเยี่ยมกระเหี่ยงสะเอิงฉะหน่อยเหรอคุณยังไม่ได้เห็นเขาเลยนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเช้านี้คริสติน่าเอ่ยขึ้นเบ า, เบา ทำให้พรานใหญ่ผู้กำลังจะก้าวออกไปชะงักนิดหนึ่งครับผมก็ลืมสะอย่างสนิทเช่เพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นก็แวะขอดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันวันนี้เรามีภาระที่จะต้องนำคนเจ็บกลับไปยังพักพวกเขาที่หมู่บ้านตะเคียนทองด้วยครับกระโจมพักอันขึงกั้นด้วยผ้า พ, พลาสติกบัดนี้ถูกตลบโล่งขึ้นสูงหมดทุกด้าน กระเรียงผู้บาดเจ็บลุกขึ้นมานั่งได้แล้วสีหน้าอาการพอมองเห็นรพินก็ใจชื้นขึ้นเชื่อมั่นว่าเจ้านี่รอดตายแน่ด้วยการดูแลอย่างดีเกือบตลอด24ชั่วโมงของฝ่ายนายจ้างอเมริกันโดยเฉพาะหมอเบลเขาเดินเข้าไปตบศีรษะมันเบาๆพร้อมกับส่งยิ้มให้เป็นเวลาเดียวกับที่เบลและคริสเข้ามายืนอยู่ด้วยใกลๆ้ๆ ได้ยินมักกุเทศนำทางส่งภาษาอะไรกับคนเจ็บอยู่ครู่หนึง่งเจ้าหนันตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสแล้วหันไปมองดูแหม่มสาวผมแดงกับผมทองด้วยสายตาอ่อนโยนแสดงถึงความขอบคุณอย่างสูงเอิงเชื่อมั่นตัวเองว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วะครับแล้วก็ให้ผมขอบคุณหมอเบงกับคริสตลอดจนเจ้านายทุกคนอย่างสูงสุดที่กรุณาช่วยชีวิตไว้ครับ เบลยิ้มเอามือวางบนไหล่คนเจ็บแต่พูดกับระพินว่าบอกเขาเถอะระพินว่าปลอดภัยแน่และพอจะลุกขึ้นนั่งเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วล่ะแต่อย่ารุนแรงนะักอีกประเดี๋ยวเราจะให้อาหารเหลวกับเขาเป็นมือแรกเขายังอยู่กับพวกเราไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจะยิ่งทําให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นทุกขณะจนกว่าที่เราจะออกจากหมู่บ้านตะเคียนทอง อมพรานหันเแปลข้อความให้สะเอิงฟังเจ้านั่นพยักหน้ารับทราบและพูดอะไรพืมนพำกับพรานใหญ่นี่เจ้าตัวเองเขารู้หรื อ, อยังไงว่าเพื่อนเขาอีกสองคนน่ะเปลี่ยนแผนที่จะลงไปยังหมู่บ้านซับบอนโดยจะย้อนกลับไปตะเคียนทองพร้อมพวกเราด้วยละ่ะคริสติน่าถามขึ้นมาเบาๆเขารู้แล้วครับ ได้ยินดีมากครับที่จะกลับไปยังหมู่บ้านเดิมแต่ก็เป็นทุกเรื่องขลวงของไอ้งาดําครับแต่ผมผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวอะไรเราจะหาทางจัดการให้เรียบร้อยเอาละครับฝากเรื่องดูแลและจัดให้อาหารสําหรับคุณเจ็บรายนี้แก่คุณหมอเบลและคริสด้วยนะครับผมแยกไปก่อนปเดี๋ยวจะมาใหม่อ้อเอิงนะพูดไทยไม่ได้เลยนะครับ ถ้าพวกคุณจะสั่งหรือพูดอะไรกับเขาในตอนนี้ก็ต้องเรียกพวกลูกหาคุณใดคนหนึ่งมาก็ได้ให้มาเป็นล่ามแทนให้พูดพลางๆกันไปก่อนแล้วคนนามสกุลไพรวันก็เอามือแตะปีกหมวกให้แก่แม่มสาวทั้งสองเดินผลักไปยังกลุ่มของเขาทันทีพรานพื้นเมืองทั้งสี่และกระเรียงอูทะกับพะโตนั่งล้อมวงรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วตามคาสั่ง นใหญ่นั่งลงกลางวงของคนเหล่านั้นซึ่งบักนี้ทั้งกลุ่มมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวนายพี่คาเล่าให้เราฟังหมดแล้วละ่ะว่าเมื่อตอนบ่ายวานนี้นายกับพี่คาไปพบไอ้ผีดิบตายาศร้านั่งอยู่ในศอกหินเหนือฝั่งห้วยตอนที่นายตามขลวงช้างไปจันเป็นคนพูดขึ้นแผวเบาศีนาพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่และกระเรียงอีกสองคน ที่นั่งอยู่ด้วยเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดรู้กันหมดแบบนี้ก็ดีละมันก็เป็นความผิดของฉันเองอที่ไม่จัดการทำลายทราบนั้นซะก่อนประบุญคำเฉลียวใจคิดชวนกลับไปดูอีกทีมันก็ลุกเดินหนีไปซะแล้ะเหมือนครั้งไอ้มันไตรไม่มีผิดเราพลาดท่ามันจริงจรจอมพรานกัดฟันพูดยางเดือดดานใจหันกลับไปที่ย่ามส่วนตัวของเขา หรือคนอะไรอยู่ชั่วครู่ก็หยิบไถ่สีย้อมฝาดเหมือนจีวรพระธุดงออกมาค่อยๆแกะออกและล้วงเอาสิ่งหนึ่งในจำนวนหลายๆสิ่งที่ปะบนกันอยู่นั้นออกมาลักษณะของมันเป็นเส้นหวายเก่าแก่ยาวประมาณสามนิ้วเศษเอามีดพับเล็กๆสะอาดที่เก็บไว้ในอกเสื้อเดินตาชั้นในกางส่วนคมออกสกดลมปราณบริกรรมนิ่ง อยู่อึดใจใหญ่ทำกลางความเงียบสงบของลูกน้องแล้วค่อยๆบรรจงตัดเส้นไหวยนั้นออกเป็นท่อนเล็กๆประมาณเจ็ดแปดท่อนส่งจะแจกไปให้บริวารทุกคนรวมทั้งกระเรียงสองคนคนละชิ้นยกเว้นบุญคำคนเดียวพร้อมก็ บ, บอกว่าเก็บไว้คนละชิ้นนะห่อให้ดีที่สุดผูกค่อยคอไว้ ระวังย่าใ ห, หลุดหายไปนอันขาดจันเกิดและสื่อรับไปพนมไว้ในมือจบขึ้นยกขึ้นจบเหนือสีสัตขนลุกเกลียวขึ้นทั้งกายในทันทีสำหรั บ, บพระโตกับอุทะกับิตาไปไ ป, ปยังไม่รู้เรื่องเข้าใจอะไรทั้งสิ่งบุญคำตบฉาดมาที่ท้ายทอยคนละทีตวาดมาเบาๆว่า สำหรับเองสองคนนะ่ะไอ้อูทะทะโตทาไมมีปัญญาจะหาอะไรแขวนคอไว้ได้ก็อมใส่ปากไว้ตลอดเวลาไม่งั้นเองอาจจะคอหักตายเหมือนไอ้วงกับไอ้มวนกูไม่เคยเห็นครั้งไหนนายจะงับเอาของดีประจำตูออกมาแจกจ่ายพวกนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยังแจกให้เฉพาะพวกเองเท่านั้นนะที่ไอ้คำลราไม่เห็นนายแจกมั่งเลย ประโยคหลังแกบ่นอย่างน้อยใจแล้วเอื้อมือไปส ก, กิดเข่าลูกพี่แบมือมั่งฮินายไอ้คำก็กลัวคอบิดไปอยู่ข้างหลังเหมือนกันน่ะนะเจ้านายหัวเราะแต่สั่นสีสันเรามันเพราะมดหมอผีมีวิชาดีอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้บุ้งคำเอาให้คนที่เขาจำเป็นดีกว่านะ่ะเอาแล้วกันช่วยเลยกู คำนายก็รู้อยู่ไว้คำนะ่ะนมันเป็นหมอผีประเภทลูกผัวเท่านั้นแหละเอาจริงเอาจังเข้าก็เพนปลารดเหมือนกันแหละประพรานเท่าจอมสับปศปะดุครางอ้อยรบพินหันไปมองหน้าอย่างขเขม่นขเขม่นบุญคำก็สิบ์มีครูนะแล้วครูก็แรงด้วยสยเวทอาคมก็แก่กล้าพอตัวผิดใกล้พวกนี้มาก เฉพาะตัวเองนะเอาตัวรอดได้อย่างสบายจะมาแย่งอะไรจากไอ้พวกนี้อีกเล่าบุญคาหน้ามุยเกาหัวแกะกก็บุญคำถือว่านายเป็นอาจารย์ของบุญคำคนหนึ่งเหมือนกันฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่ว่าแบบนี้ไม่ยอมรับไอ้คำมันเสร็จหรื อ, อยังไงพรานใหญ่เอานิ้วเคาะมาที่หน้าผากของแก อะไรกันคาถาอาคมของเรานะ่ะมันมีตั้งกรุขนาดผีตายทั้งกลุ่มก็ยังเรียกเอาขึ้นมาลนไฟเอาน้ํามันได้ไอ้มันไรก็นังแม่มดวาชีกานั่นไม่เป็นขี้เท่าไปไม่ใช่พราะฝีมือบุญคามหรอกเลยแต่ตอนนี้นะี่ยใจไม่ดีจริงๆนะนายจําเป็นขึ้นมาจริงๆคาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาก็ลืมจะหมดไม่รู้จะงัดบทไหนขึ้นมาใช้ แล้วหัวใจอิติปิโสนะทท่องได้ไหมก็พอได้อยู่แล้วหัวใจพระเจ้าห้าพระองคอ์ก็ยังไหวสองบทนั่นก็เหลือกินแล้วล่ะบุญคำใช้เพียงสองบทสั้นๆก็พออิติปิโสกับพระเจ้าห้าพระองค์มันทำอะไรบุญคำไม่ได้หรอกหน่อยหนะ่ะตอนนี้ล้วก็ทาเป็นกลัวขึ้นมาทีาเมื่อบ่ายวานนี้จะเอาสายสินไปล้อมวงมันไว้เหะ